วันนี้ก็จะพูดเรื่องอาทิตตะปริยายสูตรในตอนต่อไปในช่วงแรกนี้ก็ทรงยกเอาอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วคู่อื่นขึ้นมาเออหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับเย็นร้อนอ่อนแข็งคือผลตภัพนี่เออพูดไปแล้วงฟงังก็เคยรู้ ไปเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราสัมผัส ด, ด้วยกายนะแล้วก็ใจกับอารมณ์ที่เกิดกับใจแต่ละข้อนั้นทรงใช้คำว่าอนาิตจังคือเป็นของร้อนทั้งหมดเซึ่งในกรณีของอายตนะภายในภายนอกที่เป็นส่วนรูปนะฮะอาตาหูจมูกลิ้นกายจนถึงกับรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัพฑ์เนี่ยชัดเ็นว่าในแง่ที่ร้อน โดยตัวของมันเองนั้นก็คือตกอยู่ในความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดว่าทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและรูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ร้อนก็เพราะว่าทุกข์คือมีสิ่งแผดเผามีการเบียดเบียนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามธรรมดามันแล้วก็ส่งชี้ไปที่วิญญาณทั้งทั้งห้านะฮะคือคือสรุปทั้ง6กก็แล้วกัน วิญญาณทั้งหมดคือความรู้ทางตาจนถึงความรู้ทางใจประสงร์ชี้ว่าเป็นของร้อนออคําว่าวิญญาณในความหมายนี้เป็นวิญญาณในขันห้าอย่างที่เราพูดมาแล้วในอนัตตลักษณสูตรวิญญาณได้แก่ความรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการประจวบ ก, กันของอายตนะภายในภายนอกท่านก็เรียกวิญญาณรปลว่ารู้อารมณ์ คือรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้จมูกต่รู้กลิน่นทางจมูกเป็นต้นแต่ว่าในด้านของธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจแต่เรามักจะเรียกว่าธรรมารมก็ถ้าเราลองสังเกตดูก็คือเรื่องที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจที่มันผ่านมาทางประสาททั้ง5้านั่นเองเก็บเก็บไว้แล้วเราก็คิดที่เราเรียกวิตก ซึ่งว่าที่จริงถ้าคิดให้ร้อนมันก็ร้อนนะฮะถ้าคิดไม่ให้ร้อนมันก็ไม่ร้อ น, นก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาคิดแต่นั้นเด็กแตงนั้นเวลาชั้นของกุศ ล, ลวิตกจึงทรงใช้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายดีมันคิดเรื่องดีมันก็เย็นนะฮะถ้าคิดเรื่องไม่ดีมันก็ร้อนแล้วต่อไปก็ทรงใช้คาว่าสัมผัสทั้งห้าเหมือนกันนะทั้งห้าทั้ง6นี่ว่าเป็นของร้อน สัมผัสแปลว่าการกระทบนะความหมายของศาสนาท่านอุปมามันก็เอามือมาชนกันเนี่ยแต่เวลาเวลาท่านอุปมาในบาลีท่านบอกเหมือนแพะชนกันคือสรุปราการกระทบกันมันก็เรียกว่าสัมผัสหรือผัด ส, สะแล้วก็เวทนาคือความสวยอารมณ์ตอนนี้ก็รู้อารมณ์นะซึ่งเมื่อรู้แล้วมันก็กระทบแล้วมันก็กลายเป็น การตัดสินอารมณ์ของเราว่าดีไม่ดีหรือกลางกลางถ้าดีมันก็เกิดสุขเวทนาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามมันก็เกิดขึ้นมาทางแบบนี้แต่นั้นเวลาท่านใช้คาบาลีเต็มเต็มท่านเรียกเต็มเตะเรียกเวทนาเต็มเตมเนี่ยนเรียกว่าความสเสวย อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นปัจจัย เพราะหูฟังเสียงเป็นปัจจัยเพราะจมูกดมกลิ่นเป็นปัจจัยเพราะลิ้นดิมรสเป็นปัจจัยเพราะกายถูกต้องเย็นร้อน อ, อน่ อ, อนแข็งเป็นปัจจัยแล้วก็เพราะจะใจศึกนึกถึงอารมณ์เป็นปัจจัยก็สรุปรวมเรียกวเวทนาโดยการสวยอารมณ์ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้ามันขาดอายตนะไปหรือองค์ประกอบของการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเวทนาในสายนั้นมันจะไม่เกิด ยกตัวอย่างเช่นเราเราหูหนวกไอ้โสตวิญญาณมันก็ไม่เกิดแล้วหูมันดับไปไสโสตวิญญาณมันก็ไม่เกิดไอ้โสตสัมผัสมันก็ไม่มีแล้วก็ไอ้ความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาทางเสียงคือจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเป็นกลางกลามันก็ไม่มีมันก็ดับไปแต่อย่าลืมว่าเรายังมีประสาทอีกทั้ง5้าอย่างอย่างอื่นมันก็เกิดเพราะงั้นถึงแม้ว่าอวัยวะจะพิการคนเรา ก็ยังมีความโกรธความเกลียดความทุกข์ความสุขอยู่เพราะยังรับประสาทสัมผัสทางสายอื่นอยู่ก็ยกเว้นแต่ว่าตอนตายถึงประสาทสัมผัสทั้งหมดมันดับตอนนี้ร่างกายก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเพราะว่าไม่ได้มีตัวบิน ญ, ญาณไปแล้วคือใจที่จะรับรู้อารมณ์มันก็ไม่มีร่างกายเราก็มีลักษณะเหมือน่อนไม้ที่ทิ้งอยู่งเงาแล้วก็ทรงแสดงถึงเหตุ ให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกับที่กราบมาแล้วคือทุกข้อในใช้เหมือนกันนะใช้เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นตัวหลักคือคู่แรกก็พูดถึงตาการะรูคู่ที่สองก็พูดับหูกับเสียงก็พูดกับมาเรื่อยแต่ว่าโครงสร้างของประโยคทั้งหมดนั้นเหมือนกันแล้วก็ทรงแสดงว่าเกณฑนอดิตตางคือร้อนเพราะอะไรต้องตั้งปัญหาปัญหาในลักษณะคือพระพุทธเจ้าเวลาเทศ ถ้ามายาวอย่างนี้ฮะทรงกระตุกขึ้นทีหนึ่งในรูปตั้งปัญหาให้หยุดคิดเวลาแสดงธรรมจักก็เหมือนกันท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาแล้วเวลาแสดงอนัตก็เหมือนกันคือจะตั้งปัญหาขึ้นถามแต่ปัญหาในลักษณะนี้บาลีท่านใช้คำว่ากะเทตุการมยตาบุจราคือเป็นการถามเพื่อจะตอบเองเพื่อจะตอบให้ฟังกรรับสั่งถามมาร้อนเพราะอะไรแล้วก็จะเลยเอง ว่าอดิตังรากคินาโดสักินาโมหคินาร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะซึ่งอย่างที่บอกมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่าในกรณีนี้เป็นการแสดงแก่นักบวชไอกิเลสสายโลภะจึงไม่ใช้โลภะคือใช้กำว่าราคะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำหรับท่านปุรณาสดินแล้วก็เหมาะที่สุดในการใช้ราคาอย่างที่เคยบอกว่าการที่ท่านต้องขนทรายนั้นเพราะใจเป็นรึกนึกด้วยอำนาจกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายก็ลงโทษตัวเองในการขนทรายหรือการย่างกิเลสกับไฟเนี่ยท่านก็มองเห็นได้ชัดเมื่อสาเหตุที่แท้จริงมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะกิเลสสานี้มักจะแสดงเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้าง โดยทั่วไปนั้นจะแสดงเป็นโลภะมากกว่าโทสะมากกว่าราคาระราคาจะเน้นไปที่กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในลักษณะเพลินเพลินส่วนโลภะนั้นคือโลภอยากได้หมดเลยจึงมักใช้โลภะแต่สรุปว่าโลภะกับโทสะไม่ใช่โลภะกับราคะเป็นกิเลสสายเดียวกันนะฮะเป็นกิเลสที่สายดึงสายดึงเข้ามาเพื่อเป็นของเรา ให้เราสังเกตดูว่ากิเลสายนี้จะดึงตลอดเลยดึงเพื่อมาเป็นของเราอันนั้นก็ของเราคือเราพอใจอะไรเราก็อยากได้เป็นของเรารของเรามันก็เพลินนแต่วันก่อนนี้มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามว่าคนคนหนึ่งก็รวยเหลือเกินนะทาไมไม่หยุดท่นไม่หยุดเหรอกิเลสายนี้มันเพลินกิเลสสายราคะนี่จะเพลินอยู่ตลอดเลยถ้าไม่มองเห็นโทษนันจะไม่หยุด โรยเจ้าทรงเล่าถึงพระเจ้าแผ่นดินในอดีตชื่อมันธาตุราชโดยรับสั่งว่าท่านอยากได้จนไม่มีที่สิ้นสุดไปตีบ้านตีเมืองเขาจนได้เมืองเขาหมดแล้วก็ยังรู้สึกมันมันน้อยไปและในกรณีนี้ทั้งคง น, นึกถึงอเล็กซานเดอร์ที่บุกมาทางเข้ามาทางอินเดียนะฮะพอไปเจอมหมาสมุดเขร้องไห้เสียดายไม่มีประเทศจะบุกอีกแล้ว คือมันเพลินได้มามารู้จะกี่ประเทศระบุมาจากกรีกมาถึงอินเดียนท่านยังรู้สึกกว่าน้อยเอกิเลสลักษณะนี้จึงไม่สามารถที่จะหาคําตอบว่าอิ่มว่าพอได้เพราะมันดึงนคนเรารู้สึกว่าของเรามากเท่าไหร่ก็การะจะมันเพลินมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่ค่อยมองในแง่ที่ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะยึดเพราะถือเพราะเปลี่ยนแปลงเพราะต้องเศร้าโศกกับเรื่อ ง, งนั้น คือไม่ไม่ค่อยจะมองในมุมหนึ่งแต่จะมองในมุมเดียวว่าตนได้แต่นั้นแต่นั้นพุทธเจ้าบางครั้งตึงตรงใช้วิธีกระตุกให้หยุดคิดพอคิดแล้วก็จะหยุดได้เองอย่างในกรณีของนางวิสาขาที่หลานสาวตายท่านร้องให้พุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอต้องการจะให้มีหลานเท่าไหร่แท้แต่จริงนางวิสาขาด้านมีหลานทั้ง4ี่สรอยนะฮะ มีหลานสี่รอยท่านบอกว่าอยากจะมีหลานเท่ากับคนในกรุ่มสาวัตถีพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าคนกรุงสาวัตถีก็ตายกันวันละเท่าไรว่าตายวันห้าคนบ้างแปดคนบ้างสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างไม่แน่พระพุทธเจ้าบอกทั้งนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ทั้งทั้งวันน้ำตาก็ต้องไม่แห้งกันเลยแล้ท่านก็ได้คิดท่านก็ได้คิดว่าลักษณะคว้าอย่างนั้นแท้ที่จริงมันเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่เรา ของเรามากเท่าไรเราจะทุกข์มากเท่านั้นแต่เนื่องจากเราไม่ได้พิจารณามันจะเพลิอนอยู่ตลอดเลพระเจ้ามันดาตุราชนี่รับสั่งเล่า ว, ว่าจนถึงก็ได้สมบัติในดาวดึงครึ่งหนึ่งยังว่างๆยังยังอยากจะเป็นพระอินทร์เองอยากจะเป็นพระอินทร์เสเองเพราะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้พระอินทร์เลยส่งกลับมาอยู่มนุษย์โลก เด้วเนื่องจากอายุสวรรค์กับอายุมนุษย์มันผิดกันนะครับวลงมาปรากฏว่าท่านไม่รู้จักใครเลยร่างกายก็กลับไปสู่มนุษย์คือแก่งอมชราไปเลยและตอนนั้นจึงได้รู้สึกกิเลสานี้จึงมีลักษณะเพรินแล้วมันจะร้อนอยู่ตลอดแรงราคะท่านจะเห็นว่าแผดเผาลนจิตใจอย่างแรงในบาลีทางพุทธศาสนาได้เล่าถึงธิดากษัตรลังกา พระฉลองเจดีที่อภัยคิริวิหารกับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมาเจอกันปั๊บในเกิดราคาเผาทั้งสองคนพระก็นึกถึงศีล ร, รักษาศีลตัวเกรงราชธิดาก็รักษากความเป็นราชธิดาไว้ตัวเกร็งเหมือนกันแต่ว่าขยับเขยื้อนไม่ได้พระราชาเห็นข้าวเห็นท่าไม่ดีเลยรับสั่งให้หมาเล็กเอามา่านมาวงไว้แล้วก็ไปทำพิธีฉลองเจดีย์ปรากฏวก่ากลับมาทั้งสององค์ยืนตายเลย นี่คือแสดงเห็นมันแรงมากอะทำบทมันแรงแค่ไนแรงจนแต่ว่าคือสามาัญทำนึกทั้งสองท่านอย่างดีมากนะยังไงยังไงท่านก็คุมตัวของท่านได้ไม่ได้เสียแต่กิเลสท่านหยุดของท่านไม่ได้เลยก็ไปหมดทั้งคู่นี้ชี้ในประเด็นที่แรงว่าจะแผดเผาใจให้เกิดความเล่าร้อนซึ่งก็พอจะสังเกตพอจะรู้กันได้นะบางคนคุมไว้ไม่ได้ก็อาจฉรกรรมที่เกิดขึ้นก็อาจฉากรรมที่เกี่ยวกับทางเพศมันก็เกิดเป็นจากรราคะ ดาจกรรมที่ที่เกิดมาจากการช่อโกงหลอกลวงคอร์รัปชันโกงกินรายต่ อ, อรายต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากโลภะนี่คือความแรงของมันเป็นตัวเป็นสือ่อเป็นพาหะที่จะนําทุกโทษน า, นานาประการให้เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นแในส่วนโมหะนั้นไม่ต้องห่วงมันคือตัวมันเลยเป็นลักษณะของความหลงแล้วก็อึมครึมนะถ้าเราอุปมาไฟนั้น ท่านจะเห็นว่ายาค้ามันมีลักษณะมันไฟพิงมันก็สบายๆนะฮะเพื่นเพื่แต่ว่าโทสะมันลักษณะมันไฟไหม้ไฟเผาเลยมันรุนแรงแต่โมหะมันคล้ายๆไฟแกรบดูเปลวมันไม่ค่อยแรงนะฮะแต่มันร้อนจังร้อนแรงมากลักษณะของโมหะเพราะโมหะกิเลสสายโมหะเนี่ยจุดของมันมันไปอยู่ชีโน่เนี่ยมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฏฐิซึ่งถือว่ามีโทษสูงสุดในบรรดาอากุศลกรรมก็คือมิจฉาทิฏฐิโทษเขามากกว่าอนันตดิกรรมซะอีกนะฮะมากกว่าข้าพ่อข่าแม่ข่าพระ อ, อารานัน่าอะไรเนี่ยเพราะงั้นเราจะพบว่าอย่างพระเทวทัตนะท่านเป็นสัมมาทิฏฐินะที่จริงนะท่านยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แต่อาศัยท่านโลภเท่า น, นั้นเองท่านโลภท่านมากักมากท่านอยากใหญ่เท่า น, นั้น การพระพุทธเจ้าจึงทํานายว่าต่อไปจะได้เป็นประปฏิเสกับพุทธเจ้าไงเพราะถ้าไม่ได้เป็นวิจาทิฐิแต่ถ้าวิจาริฐิแล้วทรงแสดงว่าคือมันมันมันตัวโมหะมันมา ก, กจะเป็นหลักต่อของวัฏฏะเลยไม่ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาเจอชีวิตวิ ญ, ญญาณอะไรหรือพัฒนาสังสารวัฏแต่ประการใดแล้วทรงแสดงให้เห็นทั้งความร้อนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะเรื่องแบบนี้ เพราะเพ ร, เพ ร, เพ ร, เพรทั้งหมดนะฮะที่ว่ามาแล้วเนี่ยฮะอายตนะภายในภายนอกวิญญาณที่เกิดทั้ง6นั้นสัมผัสทั้งหนั้นเวทนาทั้งหนั้นส่วนสแสดงเฉพาะตรงนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้แต่แต่พึงเข้าใจวันนี้คือปริยายคือนัยยะขอ้งเทศนาน ะ, ะไม่ใช่ว่าจะร้อนเฉพาะตรงนี้เสมอไปแต่แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะแต่เราจะเห็นว่าเราโยงมาได้ตลอดว่าแท้จริงมันก็อยู่ตรงนี้แหละ แต่ว่าโวหารในการเทศการแสดงภาษาที่ใช้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจนั้นพื้นฐานคนฝังเหมือนกันเพราะงั้นก็สงใช้คําไม่เหมือนกันและต่อไปก็ชี้ไปที่เพลิงทุกขปดกองนะฮะก็ Jadi, อย่างที่บอกมาแล้วในวันก่อนว่าคือชาติชาติชรามรณะความสุขความ ร, ำร่ำรายความรําพันความทุกข์ ความทุกข์ความเสียใจนะฮะความคับแข็งใจทุกทุกกระตุ้มนนัดได้บวกกันความคับแค็ง ใ, ใ, ใจที่เรียกว่าอุปายาตคือคับแค็งมันมันสะสมหมักหมมเยอะเลยฮนะที่ตั้นใช้คาว่าอุปายาตเนี่ยคือสารพัดสารเพเกิดมาไม่รู้อะไรอะไรหมักหมมมากก็เลยอึดอัดขัดข้องไปหมดเลยมันจะออกทางไหนก็ไม่ได้เนลักษณะของตรงชช้คำว่ารีวิอุปายาตคือมันเป็นทุกข์เป็นความคับแค็งเป็นความอึ ด, ดอัดซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่า ความทุกข์เหล่านี้ก็โดยสภาพของมันนั้นก็อย่างหนึ่งคือจะพอเกิดขึ้นแล้วก็จะแผดเผาใจนะฮะแผดผลาใจก็ให้เกิดความเร่าร้อนแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตงามนัยยะของความทุกข์ทั้งหมดแต่ว่านัยยะหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความยึดความถือ เ, เรื่องของความยึดความถือ ถ้าเราไม่ยึดไม่ถืออะไรมันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกก็ดีความทุกข์ความโทมนัตก็ดีแม้ว่าเราเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กับบุคคลกับวัตถุเหล่านั้นในระดับเดียวกันแต่เนื่องจากความยึดถือของคนเราไม่เหมือนกันไอความโศกมันก็ท่วมทับจิตใจได้ไม่เท่ากัน ดงนั้นในตัวความยึดความถือจึงถือว่าเป็นเหตุให้เกิดการแผดเผาเพราะอะไรพระธายึดถือมันมันเป็นผสมทุกข ก, กิเลสนะฮะคือความทุกข์มันก็เป็นร้อนอยู่แล้วนะฮะและกิเลสคือความยึดความถือเนี่ยมันก็ร้อนด้วยเลยร้อนบวกร้อนนะเลยร้อนกันใหญ่เลยในข้อนี้ได้ทรงชี้ให้ท่านปุราณชิินนเห็นได้ประจักษ์ ก็เห็นได้ง่ายท่านจะเห็นว่าในธรรมจักรตรงเอาไอ้เพลิงทุกแปดกองนี้ฮะมันเป็นเป็นทุกขสัตว์นะฮะว่าจริงเป็นทุกข์สัตว์เป็นปริญาตบธรรมเท่านั้นเป็นข้อที่เราเราควรกําหนดรู้เอาไว้แต่ว่าเนื่องจากยังไงคนเราก็ทุกอยู่กับเรื่องเหล่านี้พระเจ้าก็ทรงชี้ไปที่ประเด็นของความยึดถืออย่างที่ท่านสวดบนกันมาตะกี้นี่ฮะ ที่ส่งสรุปว่าสังคีตเณรนะปัญจุ ป, ปาทานะขันธ์าทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคือจิตที่ยึดมัน่นถือมัน่นในขันธ์ตั้งห้นี่เองมันเป็นทุกขนะ์อะไรก็ตามนะมันไม่เกินไปจากขันธ์ห้าไอความโทความน่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจทั้งหมดมัน ม, มันก็ไม่ออกไปจากขันธ์ห้านนะั้นทีนี้ถ้าเราไม่ยึดไม่ถืออะไรในขันธ์ห้าจนเกินไปเราก็สามารถเบาความทุกข์เหล่านั้นลงไปได้ลักษณะการมองนั้น ท่านจะเห็นว่าก็แนวหนึ่งก็คือแนวยึดอย่างที่ว่าซึ่งข้อนี้ท่านศาสนาโสผลแจม่มได้แต่งเป็นกรอนเอาไว้ในอุานทานธรรมว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะอันนี้ก็ในแง่ของการยึดถือแต่ที่จริงความร้อนที่ทรงใช้นะมันใช้คล้อยตามนิสัยท่านเหล่านั้นแต่แท้ที่จริงก็คือทุกข์นั่นเอง ปัจจุบก็มีลักษณะที่แผดเผาให้ร้อนลอีประการหนึ่งเมื่อประสบกับเรื่องเหล่านี้ก็คือมองในแง่ที่ว่ามันก็ดีที่ไม่แรงกว่านี้เช่นสมมติว่าเราประสบกับการพลัดพรากสมมติว่าลูกตายหรือแม่ตายเนี่ยเราก็ยังนึกว่ามันก็ดีนะยังมีคนที่ตายมากกว่านี้ คือคนบางคนมันตายหมดทั้งครอบครัวเหลือตัวคนเดียวเรายังเหลือคนอื่นตั้งหลายคนยังไงยังไงเราก็ยังดีกว่าเขาแน่ย่างที่อามาเคยเล่าเรื่องพระปต aja าาาเนี่ยพระปตาจาราคือท่านเป็นแบบที่ชวนให้คิดได้ดีมากคนในสมัยพุทธกาลเองเวลาประสบการณ์พระพรากนั้นถ้าเป็นผู้หญิงและมหาท่านมาถามมาทําใจยังไงเพราะว่าคืนเดียวเนี่ยท่าน หัวถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งถูกนกเฉียวไปเพิ่งเกิดใหม่นะตัวเล็กนิดเดียวแล้วอีกคนหนึ่งตกน้ําตายแม่พ่อพี่ชายถูกเรือนถล่มทับตายคืนเดียวฮะตายหมดเลยอย่างเดือคนเดียวบ้าเลยนะเป็นบ้าไปวิ่งกระเซิ้งกระเซิงไปภ า, าผ่อนก็หลุดลุย่ยเดีประตาจาราคือไม่มีผ้านุ่งแปลไม่มีผ้านุ่งอะไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่ง ว่าจงได้สติเถิดพระคินีน้องหญิงนะฮะดูก่อนน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดแล้วท่านก็ได้สติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราจะเล่นแบบปาฏิหารนะว่าพระพุทธเจ้าเรามีปาฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเรคุยโม้ได้เยอะนะฮะเพราเรามีเยอะเราไม่เอามาพูดเองฮนะรับสั่งประโยคเดียวคนหายบ้าเลยรับสั่งประโยคเดียวโจรล่ฆ่าหยุดเลยไม่ต้องเป่าน้โมนน้ำหมากอะไรเลย แต่เราไม่เอามาพูดกันแต่นั้นเองครับคือเราถือว่านั้นเป็นเป็นคุณพิเศษสมหรับพระองค์ที่เราเองสัมผัสไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นเราจะเอาธรรมะมาเน้นมากกว่าที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นมาเน้นนั่นเป็นเรื่องบา ร, รมีที่พระองค์สงสร้างสมบบรมมานะฮะองค์ก็ทำาของของท่านได้แต่ว่าเราเองก็คงจะเอื้อมไปไม่ไหวเหมือนกันเรามักจะเน้นที่ธรรมะกันแทนที่จะเอาเรื่องเหล่านี้มาเชิดชูอันนี้ท่านจะเห็นว่า โดนึกใครไม่ได้ก็นึกถึงพระปตาจรา ح. พระปตาจรานี่ก็ยังดีนะเรายังไม่เหมือนกับท่าน่ะเรายังเหลือตั้งหลายคนมันก็บรรเทาได้อีกชั้นหนึ่งนั้นคือมองในแง่ที่ที่ไม่แรงกว่านะฮะอย่างพระบุญนะท่านจะไปในเมืองสุนาบาลันตะคือประสบอันตรายเนี่ยประสบอันตรายในยลักษณะที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัดความเสียใจยครับแค้นใจอนะไรเนี่ย ในเบื่อนั้นในคนดุพระย่รับสั่งถามมาเธอจะไปยังไงปุณละที่นั่นเขาดุนะแกบอกท่านท่าน่านอกจะไปได้ไปอยู่ได้แล้วรับสั่งถามถ้าเขาด่ า, าเธอจะคิดยังไงก็ด่าก็าาาาคิดว่าดีกว่าเขาคว้างโดยก้อนดินะถ้าเขวา้างโดยก้อ น, นดนินคิดว่ายังไงก็คิดว่าดีกว่าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้ถ้าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้คิดว่ายังไงก็ดีกว่าเขาฟันด้วยสัตว์ราหุษ เขาฟันด้วยสัตว์ราวุธเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายแล้วถ้าเขาฆ่าตายคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองแล้วเขาก็ดีกว่าฆ่าตัวเองคนบางคนอยากตายไม่ตายฆ่าตัวเองยังไม่ตายมีเขาอุตส่าห์มาช่วยฆ่าให้อดีขนาดไหนแล้วพระเจ้ารับสัรเออปุณณะเธอไปได้เธอไปอยู่ที่นั้นได้แล้วเธอไปในที่นั้นแล้วจะทําให้คนเขาเลื่องใส่ได้และท่านไปท่านทํางานของท่านสำเร็จ นี่คือแนวที่เรียกว่าปรับใจนะฮะช่วยบรรเทาอะไรช่วยบรรเทาเพลิงทุกข์ล่านี้บรรเทาเพลิงทุกข์ตัวนี้นเรื่นแนวหนึ่งนั้นก็มองในแง่ที่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งฮะแต่นานมาแล้วที่มาเคยเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อที่ท่านดีคือท่านอะไรท่านท่านดีหมดเลยของท่านเนี่ยไม่ว่าจะมาแรงมาดียังไงท่านดีทั้งนั้นนะ ไอ้ดีท่านก็ว่าดีไม่ดีท่านก็ว่าดีมันก็มองแบบดีๆไปมีเรื่องเยอะนะฮะแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังสองสองสองสามเรื่องหญ้ารกท่านก็บอกว่าดีสัตว์มันได้ใส่พอเขามาถางหญ้าให้ท่านบอกว่าดีเหมือนกันเดินไม่ต้องระวังสัตว์ ม, มากหลังคารั่วท่านบอกว่กวดีนอกนกลางคืนได้ดูดาวด้วย พอเขา ม, ามังบงลังคาให้ท่านก็บอกก็ดีเหมือนกันเวลาฝนตกไม่ต้องหลกนะวันหนึ่งแม่ชีไปชงกาแฟนะไปหยิบแม่ชีตาไม่ค่อยดีไปหยิบเอาถูกปวดเกลือชองจงกาแฟใส่เกลือให้ท่านวางอุน่นก็โดดเข้าไปเต็มที่เลยครึ่งแก้วกืนไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงถ้าเบกากก็ดีเหมือนกันนะ่ะกินกาแฟใส่น้ําตาลมานานนะกินกาแฟใส่เกลือใช่ปะ มั น, ม, น, ม, นมันยุติปัญหาได้หมดนะยุติปัญหาได้หมดเลยเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือไม่ยึดไม่ถืออะไรจังเกิดไปถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางในความทุกข์ในส่วนนี้ก็ไม่เกิดแล้วมาในช่วงที่สองพระสูต น, นี้มีสองช่วงในช่วงใหญ่ๆนะฮะ ช่วงที่สองก็ทรงแสดงแบบแนวเดียวกับอนัตขึ้นถึงเหมือนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกเมื่อได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะต้องอย่าลืมมีสามช่วงนะได้สดับแล้วพิจารณาแล้วก็เห็นอยู่นะคือมันต้องได้ทั้งสมช่วงไม่ใช่ว่าฟังแล้วแล้วก็เรียบร้อยไม่ใช่อย่างนั้นได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้สามช่วง ซึงหมายความว่าในชั้นของการฟังก็คือสุตตามัปัญญาพิจารณาก็คือจินตาัจปัญญาเห็นอยู่ก็คือภาวนามัปัญญาเรียบร้อยนะใช้คำอย่างสามคำนั้นนั่นเองอย่าลืมของพระพุทธเจ้าในยานที่ามาบอกว่าทรงสมบูรณ์ด้วยอัฏฐและพยัญชนะคำของพระองค์จะกระชับความไว้เสร็จลและกระชับผลในเชิงการปฏิบัติไว้ด้วยถ้าเราทําตามพระองค์ได้จริงๆนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรอริยาสาวก เมื่อได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นคํำว่าเห็นในความหมายนั้นจึงเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของเพลิงกิเลสทั้งสานะเพลงกิเลสทั้งสามคือราคาคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะมหคิไฟคือโมหะเราเห็นโทษของเพลิงทุกทั้ง8 คือความสุขความร่ำรวยรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจจะเย็นโทษของทุกตอนนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปนะทรงแสดงแนวเดิมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนั่ง่ายๆ่ายนะฮะย่อมเบื่อหน่ายในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมเบื่อหน่ายทั้งในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเดรนร้อนอ่อนแข็งแล้ก็อารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาเวทนานี่ฮะตัวทำให้ติดมากที่สุดใจท่านเห็นว่าเวทนาคือความเสวยสุขเป็นตัวที่ดึงเราไปมากที่สุดจนเราอยากดูอยากเห็นอยากเที่ยวอยากฟังอยากอะไรอะไรนันะก็เพราะเราต้องการเวทนานะ่ะต้องการสุขเวทนาต้องการไปรับประทานอาหารที่พัตตาคารแพงๆมันก็ต้องการอร่อยคือสุขเวทนา ไปเที่ยวทัศนาจงนาจรไปต่างประเทศอะไรๆกันเหมือนกันนะมันก็ต้องการเวทนานะต้องการไอ้เวทนาคือสุขเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะต้องการสุขเวทนาต้องการเห็นที่จริงไอ้ตัวตัวจริงๆมันก็คือเวทนาต้องการสุขเวทนาไอ้ตัวเวทนานี่เราชอบมากเพียงพยายามอย่างไรก็ตามก็เพื่อเวทนาและแม้แต่ในการปฏิบัติทําความสงบมันก็เพื่อก็สุขเวทนาเหมือนกันเพื่อสุขเวทนาเหมือนกัน เราจะพบว่าในช่วงนี้ในช่วงการปฏิบัติเวทนาจึงมีลักษณะเหมือนยานพาณะที่อาศัยค้ามฝากเราก็ต้องคว้าแกไว้ก่อนแหละแต่ว่าในที่สุดพอเราขึ้นฝั่งเราก็ทิ้งไม่ยึดไม่ติดในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นพอเบื่อหน่ายนะฮะทรงสแสดงแนวเดียวกับอนัตตรงเนี้ยพอพอเบื่อหน่ายก็จะคลายกันนะจะเบื่อหน่ายในในลำดับนี้ฮนะแต่ว่า ชื่อนั้นต้องจําเอา ก, ก็ก็ไม่ยากอะไรนะอายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสามอย่างไอ้สี่อย่างเนี่ยสี่กลุ่มไม่ใช่สี่อย่างก็อย่างละหเหมือนกันนะฮะเวลาทรงแสดงนอย่างละหเหมือนกันแล้วท่านหลายอย่าลืมนะฮะว่าการแสดงธรรมะในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหรือแนวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคล้ายๆกับมันซ้ํำ แค่ครับไมพูดซ้ําๆๆๆอย่างนี้นั่นคือเหตุปัจจัยหลายอย่างประการแรกคือไม่มีหนังสือมันมีหนังสืออ่านนะะประการที่สองนั้นถ้าพูดผ่านเนี่ยมันไม่สะดุดใจถ้าพูดผ่านไม่สะดุดใจแต่ถ้าซ้ําบ่อยซ้ำๆๆจิตมันเริ่มปรับเข้ามาคิดกลับเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องเหล่นั้ เพรั้นในชั้นที่ทรงแสดงตากับรูปหูกับเสียงอะไรอะไรอาจจะไม่คิดก็ได้พอจมูกกับกลิ่นมาเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วเอ๊ะทำไมมันร้อนหมดไปเลยอย่างเงี้ยก็หาอะไรไม่ร้อนไม่ได้มันก็เริ่มคิดนะก็ทําให้พิจารณาทําให้พิจารณาแล้วก็เห็นอยู่ตามแนวทั้งสามช่วงตามสามช่วงของความคิดได้ทีนี้ถ้าถ้าถ้าลองทดดูนะพระสูตรที่ควรแก่การทดลองดูที่สุดนะฮะมาจะมองเห็นอนาัตตลักันสุร อนตัตตลักณะสูตรเนี่ยมาแปลสวดแปลได้มันต่างเป็นเนนตัวเด็กๆไงสวดแปลไปลสวดแปลนั่งหลับตาแปแปลอนัตตลักณะสูตรนี่เป็นสุขที่สุดเลยเป็นสุขมากไปตอนนั้นเป็นเนนเล็กๆเนี่ยไปบางทีก็นิมนต์ไ ป, ใ ห, ปให้สวดแปลให้ฟังก็นิมนต์ไปกันเดียวไปไปไปสวดเที่ยวเดียวคือคนเกิดชอบอยู่ตลอดงานเนี่ย้ฟังตลอดงานนะ เพระมัน ม, นมนัท่านท่านลองท่านลองสวดนะฮะแล้วหลับตาและพิจารณาตามไปประสงค์แสดงรูปอย่างนั้นเวทนาก็อย่างนั้ น, น, งงนสนงงนัญญาก็อย่างนั้นสังขารก็อย่างนั้นวิญญาณก็อย่างนั้นมันก็แนเดียกับอธิตะพยาจตุเราจะเห็นว่าเราค่อยคยเกิดความเข้าใจขึ้นค่อยค่อยเกิดความเข้าใ จ, าาใจแล้วก็มองเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึน้นถ้าเพียงแต่การฟังมันก็เหมือนกับนั่งรถไฟดูถิวทัศนะมันมันไม่ไม่ไม่อะไรสักชัดทั้งจาก มันต้องพิจารณาจนเห็นเพราะงั้นก็คือการการวิเคราะห์วิจัยที่ที่ที่บางครั้งสงใช้เพียงแต่ว่าใส่ใจใส่ใจแล้วก็พิจารณาเจาะดูเรื่องเหล่านั้นเจาะลงไปดึกๆเราก็จะเห็นเรื่องความจริงที่สงแสดงไว้ชัดเจนหกนะสัมผัสหเวทนาหก็ ก, ก, ก็ก็ไม่ต้องนับเป็น6 ก, ก็ได้คือนึกอายตนาภายในภายนอกเป็นหลักไว้กันแล้วกันนะ ตาท่านในกรณีที่ยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยจำเขานะนึกถึงนึกถึงตัวของเราเนะี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนะแล้วก็รู้ด้วยใจไม่ต้องจำก็ได้ก็ น, นึกก็ออกย่อมเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านี้พอเบือหน่ายนี้จิตมันจะคลายนะฮะมันจะคลายกำหนัดคือคลายกาหนัดคลายความยึดความติดในสิ่งเหล่านั้น ยิ่งคลายมากเท่าไหรนะคลายได้มากเท่าไหร่ก็ตามจิตใจของเราก็จะมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นเท่านั้นพอคลายกาหนัดพอคลายกำหนัดได้จิตก็พ้นคำว่าพ้นในที่นี้ก็คือวิมุตนะฮะหลุดพ้นแต่แต่อย่าลืมว่าตรงนี้ตรงนี้มันก็เหมือนกันในอนัตตลักษณ์สูตรนะ่ะ นัตนตะนารสูตรตรงตรงใช้คําว่าเอวเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายะดัตตบางข้อ น, นี้อันเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชอบพิจาณาจนเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้พอเบือนายก็คลายกําหนัดพอคลายกําหนัดจิตเราก็หลุดพ้น ไอ้คําว่าหลุดพ้นในความหมายของศาสนาที่นั่นใช้คําว่าวิมุตต์นะฮะมันก็มีอยู่สามระดับด้วยกันจริงๆมันมีอยู่ห้านะฮะแต่ว่าแต่ว่าสรุปแล้วก็มีอยู่สามคือระดับหนึ่งมันจะคลายไปเป็นจุดๆมันจะคลายกําหนังไปเป็นจุดๆพอเร า, าคลายในจุดใดความโศกในจุดนั้นก็หายนะความโศกความร่ําไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจอะไรแต่ไรมันคลายได้มันก็หาย หายไปในจุดนั้ น, น, นทีนี้ปัญหาที่ว่าทํำยังไงจึงจะพิจารณาเห็นได้เนี่ยที่จะให้มันเกิดดับได้ในจุดนั้นๆซึ่งถ้าหากว่าเราเราลองมองดูบางครั้งนะฮะบางครั้งมันไปใช้กิเลสเรียกหนามบ่มหนามใช้กิเลสแก้กิเลสเอากิเลสกับกิเลสเนี่ยมาแก้กันเลยถ้าทั้งหลายก็นึกออกที่พระเวสสันดรใช้ ใช้กับพระนางมัตสีนะฮเกี่ยวกิเลสแก้กิเลสเรื่อนนงนามาบ่งนามพนางมัตสีนั้นเกิดโศกอย่างแรงด้วยอำนาจราคาคือโลภะด้วยราคาในความผูกพันเยอใหญ่ในลูกนะลูกหายไปในท่านท่านเสียประทายมากเลยพระเบสันดอนชายลยใช้ใชทวรสไปหากล่าวหาว่ า, วาไปคบชูสู่ชายกับนั ก, นกสิทธิทยาตร์คนตันโอ้ยพืด้ดหายเลย โกรธใจเลยถือว่าเป็นโสประมาติแรงๆไอ้โสกะมันหายโสกะมันหายไปเลยแต่วิธีนี้มันมันสมับแก้คนอื่นนะสมับแก้คนอื่นซึ่งก็ต้องมีทีนี้ทีไล่บอสมควรต้องมีอุบายอยู่ทีพอสมควรกิเลสแก้กิเลสได้นะฮะสำคัญว่าเราใช้เป็นหรือเปล่า เพราะว่ากิเลสสายสายนี่ไ อ, อ, อ้ที่มันก่อให้เกิดความสโศก ม, ม, มันแรงมากมันกัดกร่อนใจมากแล้วมันมันมันอยู่ได้นานนะฮะส่วนกิเลสสายโทสะมันอยู่ไม่ได้นานดังนั้นเมื่อเมื่อดึงไอ้ลูกศรคือความสูขออกได้แล้วเนี่ยพอเกิดโทสะขึ้นมาถึงแม้เราจะดึงด้วยโทสะก็ตามนะฮะโทสะแกอยู่ได้หน่อยเดียวแกก็หายคก็ทำให้คนตั้งหลักได้ นี่ในกรณีที่ใช้แก้คนอื่นว่าโบราณนี่เขาตั้งก็ใช้ากันท่านเยอะใช้หลายวิธีไม่ใช่ว่าเราจะเอาเป็นวิธีตรงตัวเสมอไปบางครั้งมันก็ต้องต้องใช้วิธีอื่นหรือว่าอย่างอย่างกิเลสสายเดียวกันเอามาต่อกันที่เคยยกตัวอย่างพระนลนะฮะพระนนที่พระนุชาพุทธเจ้าเนี่ยพุทเจ้าก็ใช้กิเลสสายราคะมาบ่งกิเลสสายราคะกิเลสสายเดียวกันเอามาบ่งด้วยกันได้ พระนรนั้นจิตใจในเจ้าสาวเขาท่านคือนางชนบทกาลยานีนั่งกรรมฐานไม่ได้แล้วใจได้ยินได้เสียงเท่านั้นเองพระเจ้าก็เอานางขับสอนข้าร้อเอาเข้าล้อไปนําไปดูสวยๆงามไปเรืยท่านก็ชอบท่านก็อยากได้ทุกองทุกองพระเจ้าก็ถามว่าเธออยากได้บอกอยากได้ถ้าอยากได้ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติพระหมจรรย์และเรารับประกันจะให้ได้นางขับสอน นี่จึงจะเห็นว่าเป็นวิธีเป็นก็เรียกว่าเป็นโมหาระเทศนาพระพุทธเจ้านั้นทรงมีโวหารมีวิธีที่จะแก้อ ก, กิเลสแก้ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกทางของบุคคลเหล่านั้นได้ตัว อ, อย่างที่เมื่อเช้ารายการสยามมโนติเอามาออกราการนันนี่ยอันนี้มันก็แนวนั้นนะฮะแนวของพระพุทธเจ้าแต่สรุปว่าเป้าของพระองค์นั้นมีอยู่แล้ว เริ่มเริ่มต้นนี่จะพูดกับคนนี้ยังไงถึงจะได้ท่านท่านก็มีวิธีของท่านประเบือนายก็คลายกํนัระคากำหนัดจิตกับพนเพราะงั้นไอ้ตัวพลเนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าทำยังไงจึงเราให้จิตมันพนในเรื่องเหล่านี้ได้ก็ด้วยอุบายต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ใจเราหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสแล้วก็เพลิงทุกข์ได้เพลิงกิเลสนั้นต้องมองในเห็นให้เห็นโทษนะครับ มองหเห็นโทษของความเราร้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็เพลิงทุกข์ก็มองให้เห็นโทษในรูปของการแผดะเผาใจว่าว่าแต่ยิงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้สรุปว่าเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ถึงเราจะไปโศกมันก็อย่างนั้นนะ่ะมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มคนที่มีความทุกข์ขึ้นอีกคนหนึ่งท่านนั้นเด็กไม่ช่วยอะไรได้ ก็จะทําให้จิตเราหลุดพ้นจากโศกในแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งถือว่าจุดนีเน้เป็นเป็นจุดที่เราใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้มากในสุดจุดคืออะไรมองว่าก็ดีที่ไม่เลวกว่านั้นนะที่ไม่รุนแรงมากกว่านั้นหรือมองในแง่ที่ดีมองในแง่ปล่อยวางแล้วแต่จะมองออส่วนชั้นหนึ่งนั้นก็เป็นการหลุดพ้นที่ บาลีท่านใช้คำวิคัมภาณาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยกําลังสมาธินะฮะเอากูศลไปกดอากุศลเอาไว้ซึ่งว่าที่จริงในลักษณะนี้ท่านจะเห็นว่าแบบหลุดพ้นด้วยองค์นานๆนานเนี่ยบางทีมันนานนะฮะมันนานได้เป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเจาะเป็นเรื่องๆไปนะฮะเจาะเป็นเรื่องๆไปไม่ไม่ไม่ได้มากแล้วเพราะกาลังมันอ่อนเช่นสมมติว่าคนเนี่ยเราเคยไม่ชอบแก่ และต่อมาเราก็ทนแก่ได้เราอภัยแก่ได้แล้วความรู้สึกมันก็กลายเป็นเมตตาเพราะฉนั้นตราบใดที่เร า, เรายัางเมตตาคนนี้อยู่เนี่ยไอ้โทสะกับคนนี้ไม่เกิดเฉพาะในจุดนี้นะแล้วเรากระจายวงออกไปเรื่อยๆและในระดับนี้มันก็นานได้เหมือนกันนานได้เป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันส่วนระดับที่สองที่เรียกว่าวิขมัมพระนาวิมุตเป็นผลของสมาธิเราเผงเป็น เป็นผลของฌานนะฮะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากระดับฌานแล้วก็สงบ ก, กิเลสสายราคาโทสะโมหะอย่าลืมไม่เพลงเพลงทุกแปดกองมันไม่ใช่ตัวปัญหานะฮะไม่ใช่ตัวสร้างความ ร, าร้าเรอนอะไรให้เราถ้าเราไม่มีราคาโทสะโมหะมันก็ไม่โศกไม่ไม่ร่ำรวยร่รำพันอะไรเราหรือแม้แต่ว่ามันมีแต่ว่ามันเบาฮะมันเบ า, ม, เบามันก็ไม่ ส, ส ร, ร้างโศกร่ำรวยร่ำพันอะไร ยังที่เคยเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะสอนคดนะฮะทุกวเวทนาเสียแทงแรงมากเลยเพราะว่าเป็นมา เ, เรียรในยุคสมัยนั้นก็ทารุณมากแต่รับสั่งแยกกายกับจิตออกเด็ดขาดรับสั่งว่าแม้กายเราจักกระสั์กระสายแต่ใจเราจักไม่กระสับกระสายคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้ว แล้วก็มองเห็นอนัตตาเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเป็นนั้นไม่มีเสร็จแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธจนจนสวรรคตเป็นแบบการตายที่พิเศษที่สุดทาทีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทงไปหาคนตายอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าในยากมาก เรียกว่าเรียบร้อยมากเลยเข้าถึงได้ถึงอนัตตามองเห็นมองเห็นสังขารทั้งหลายเป็นหน้าตาไปหมดลแล้วก็นี่อะไรคือมองว่าถ้าใม้ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีโทษเพราะงั้นก็พยายามปล่อยวางความยึดความเสื่อส่วนการหลุดพ้นในระดับที่เรียกว่าเด็ดเดี่ยวจริงๆคือขาดจริงๆนะมันก็เป็น สมุเดเฉททวีมุติคือตัดขาดตัดได้ขาดเลยโดยไม่มีความอะไรใหญ่ดีบาลีคือว่าท่านไม่ต้องไปติดใจภาษาบาลีนะแต่ว่าจะยกไว้ให้ฟังแต่นั้นเองครับยกแล้วก็แปลให้เป็นสมุเดเฉททวีมุตท่นานใช้คําว่าสมุเดเฉททวีมุติคือหลุดพ้นด้วยการตัดขาดไม่หวนกลับคืนมาสู่สิ่งที่ตัดขาดไปแล้ว อันอุปมาว่าเหมือนกับตายอดด้วนนะฮะคือตาญที่มันตัดแล้วเนี่ยมันไม่งอกอีกไม่มีการงอกขึ้นมาอีกได้ไอกิเลสความทุกข์ความยึดความถือที่ตัดแล้วจะไม่จะเริญเติบโตขึ้นมาอีกไม่ว่าจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงก็ตามไม่รู้ไม่ไม่ไม่ว่ามันมันมันคุกคามรุนแรงยังไงนะฮะคือจะเป็นลักษณะกระตุ้นราคะก็ไม่ไม่เกิดกระตุ้นโทสะก็ไม่เกิดกระตุ้นโมหะก็ไม่เกิด แต่การตัดขาดมันก็เป็นชั้นๆไปอย่างลำดับของพระริยาสาวกอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าแต่สิ่งที่ท่านตัดขาดมันก็มันก็ได้ไม่เท่ากันหรอกนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นที่ตัดขาดได้เท่ากันพระโสดาบันไม่ใช่คือว่าในชั้นของท่านตก็ตัดขาดได้เท่ากันเลยนะคือว่าพระโสดนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นที่ตัดขาดได้หมดพระโสดาบันก็ตัดตัดได้ขาดเฉพาะ ความถือไอสากายาทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นเราเป็นเขาจ น, จนจนถึงก็ยึดถือในขันห้าอย่างที่เคยจําแนกวา่ากัาก่อน20่สประเภทในนันตลักษณ์นันนแล้วก็ตัดความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะในพระัตนาตรายนะฮะในพัตนาตรายในใจสิกขาในเรื่องของปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยศีลละวัดด้วยข้อปฏิบัติ ต่างๆแบบถือครั้งถือศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านที่เป็นพระโสดาบันถึงแม้ท่านจะไม่ยึดไม่ถือนะฮะตั้งก็ไม่เพจดาศารพระภูมิด่าไอ้ดาเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองอะไรนะฮะเพราะว่าท่าท่านท่านศีลห้าท่านสมบูรณ์นะฮะพระจีทุจริตท่านไม่มีตังก็ไม่เพจดาว่าเขาสมมติจะเข้าร่วมกิจกรรมท่านร่วมได้นะฮะท่านก็ร่วมได้แต่ไม่ว่าอะไรเขาเป็นโลกาอุวัตนฮะพระอรหันต์นั้นท่านคล้อยตามโลกได้ ไปตามโลกได้แต่ว่าใจเองท่านก็ไม่ได้ยึดได้ถืออะไรระยะบุคคลให้ดับตอๆเอ่รองร ล, ง, ลงมาก็เหมือนกันเอ่อก็จนตัดขาดไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้พอตัดขาดมันก็สงบที่เ ร, เรื่องกปัตสัตติปิมุตนะปฏิปัตสัตติปิมุตคือหลุดพ้นด้วยความสงบซึ่งหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเอ่อหลังจากนั้นนะฮะแม้จะมีอะไรมากระตุ้นอย่างแรงจากข้างนอก กิเลส จ, จะไม่มีเชื้อเข้าไปรับจะได้มาเคยอุปมาให้ฟัความวาเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ในหินนั่นจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยคือตายอย่างเดียวานนัน้คือตกไปสิ่งนั้นมันจะตกไปมันจะไม่ซึมบางทีตั้งอุปมาเหมือนเอาอะไรมเมะเร็ดพันธุ์ผักกาดไปวางไว้บนปลายเหล็กแหลมหยาดน้ําไปตกอยู่บนใบบัวเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปแบางทีก็อุปมาเหมือนเหมือนตานที่ขั้วของตานที่เราทําให้ขาดอย่างที่บ้านเนี่ย จะไม่กําเริบซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เอ่วิมุตต์แนวแนวนี้ก็นึกตัวอย่างพระพุทธวัติกันแล้วกันนะเออจะเห็นได้ชัดมากเลยว่าพระเจ้าจัดสรุปรแล้วห้าอะไรหสัปดาห์นะฮะมีทิดามานมายั่วยวนด้วยประการต่งตางๆแล้วก็ต่อมานี้มีมายั่วยวนในราชสมบัติก็มีนะฮะยั่วยวนด้วยรูปก็มียั่วยวนในสมบัติก็มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงจนถึงจ้างคนด่าอะไรตัวอะไรเนี่ยเป็สารพัดนะพระเจา้า สารพัดเยคนที่กระทำย่ายีพระองค์สารพัดมีเรื่องเยอะแต่ว่ามันสงบอะสงบแต่ลักษณะกระตุ้นโทสะอย่างระอานนทน่ท่านท่านทนไม่ได้นะเพราะระานนท่านยังละโทสะไม่ได้ตอนนั้นถ้าเป็นะโสดาบันยังละโทสะไม่ได้ก็รู้สึกว่าท่านมีปฏิกิริยาอยู่ทีนี้ตอนถูกด่าที่เมืองโกสัมพี ถูกจ้างดา่าทุกถนนเลยไปบินทบาทที่ไหนไหนพวกมือปือนรับจ้างมันก็เหมือนกับบ้านเราเดนนี่ยบางทีก็พวกนักขา่างหรือพิมก็รับจ้างด่าคนพระพุทธเจ้าสเสด็จไปบินทบาทถนนไหนก็เจอด่าเรื่ยเลยพระพุทธเจ้าไ ม, ไม่มีปัญหาร่างโดนมีปัญหาอย่าลืมวาพระสุวรรบานลากิเลสสามเนั้นเองนะตัดขาดได้สามเท่านั้นแต่ว่า กรมราคะกับปฏิฆะนี่มันต้องพระนาคามีกรรมราคะก็คือกิเลสสายราคะไดโลพาเนี่ยแล้วก็ปฏิฆะก็คือกิเลสสายโทสะแต่มันไม่ถึงกับโทสะแล้วตอนนั้นนะ่ะแต่มันเป็นปฏิฆะคือไม่พอใจท่านก็บอกว่าไม่ไหวที่นี้คนด่าจังไงไปที่อื่นดีกว่าพระเจ้ารำสังสานจะไปที่ไหนเอาไปะะราชเจ้าคือก็ไแล้วละะราชเจ้าคือเาด่าทําไงไปสาวัตถีเอาสาวัตถีก็ด่าทําไงไปก บ, บินลพักเอาก บ, บินละพักก็ดา่าทำยังไง การโดนตำอวจไปมาเกินพระเจ้าบอกไม่สิ้นสุดอันไม่สิ้นสุดหรอกเขาด่าที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละให้มันเรื่องมันสงบสักก่อนถึงไปแล้วก็พระพุทธเจ้านั้นท่านมีนะฮะบุญญาธิการของท่านเนี่ยใคคือใครจะด่าพระพเจ้าเกินเจดวันไม่ได้ไมันมีใครที่จะตะลุยด่าได้ทั้งเจ็ดวันนะจริงๆมันมั น, ม, นมันก็เป็นลักษณะความจริงกันนะฮะอย่าว่าคนเราเพื่อนมาเจอด่าดา่าเราไม่ตอบอะไรเลยมันเลิกด่าเองนะ ไม่มีใครจะไปดา่าที่ว่าเราด่ากันได้นานๆเรามันมีการด่าตอบนันนี่เราดา่าเขาดา่าเราดา่าเขาด่าเราดา่ า, ดาที่ที่มาเคยยกตัวอย่างให้ฟังในวันก่อนที่ว่านายอำเภอทางจังหวัดสมุทรสาครนนะ่ะแกนึกสนุกอะไรขึ้นมาในจัดงานงานงานประจําปีแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ทราบ น, นะฮะก็จัดดา่าชิงขันน้ำผ่านรองกนะันแข่งดา่าชิงขันน้ำผ่านรองนะ แต่มีข้อแม้นะฮะว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวบรวมนักด่าชั้นยอดเลยมาแข่งด่ากันก็ต้องลงมาได้ผู้หญิงคนผู้ชายคนยอดที่สุดในอำเภอเลยมีข้อแม้ว่าด่าซ้ําไม่ได้คําที่ใช้ด่าแล้วจะด่าอีกเป็นครั้งที่สองไม่ได้ปรากฏว่าผู้หญิงในชั้นเยี่ยมที่สุดนะด่าได้เจ็นาทีเองหมดภูมิเลยผู้ชายไปไม่รอดได้ห้านาทีหมดคือชั้นยอดแล้วนะยังแพ้ผู้หญิงเขาแพ้ก็สองนาที ก็ตกลงว่าที่เราด่าได้กันเป็นวันๆด่ากันได้บ้านใกล้เดินเคียงด่ากันตลอดนะครับเพราะมันด่าไว้ด่ามานะครับด่าด่ากลับไปกลับมากันอย่างงั้นเองนี่ก็เมื่อคนดา่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบอะไรเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาดา่ามันก็สงบไปนี่เราจะเห็นว่าเป็นการหลุดพ้นอย่างสงบจริงๆแล้วก็ต่อไปก็คือออกไปไหมายความออกไปจากเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์อย่างที่ว่า นิสระวิมุตติชาเขม้มานิสระนวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการออกไปจากสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในโลกแต่ไม่เกี่ยวข้องด้วยโลกอุปมาเหมือนกับดอกบัวนะฮะมันก็ยังอยู่ในโคลนในตมในน้ําเรียบร้อยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรพระอรหันต์นั้นหลายท่านก็อยู่ในโลกแต่ว่าดอกบัวใบบัวนั้นแกอยู่เกิดในตมเจริญในตมแล้วก็มีน้ําหล่อเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ยกตัวแกขึ้นมาเรื่อยจนเลยน้ําเลยตมเลยโคลน ทั้งทงี้อยู่กับน้ํากับตรงกับโกลนแต่ว่าน้ําจะซึมแก่ไม่ได้เพราะงั้นพระเริยเจ้าทั้งหลายที่ลักิเลสมันก็คือเราเรานี่คือผู้ดูชนนี่เองที่ยกระดับจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันสงบจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็ออกจากสิ่งเหล่านี้คืออยู่เหมือนกับไม่อยู่เพราะจะใจจะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์โลกตอนพระญาติทั้งหลายทะเลาะกันพระเจ้าเสด็จไป แล้วก็ไม่ถึงก็ไปห้ามนะครไปให้สติแล้วท่านทั้งนั้นก็ไม่ทะเลาะ ก, กันพระเจ้าเปล่งเป็นอุทานก็เรียกอุทานอุทานนี่ไม่ใช่แบบเทศนะครับอุทานนี่คือเปล่งเป็นปรารบธรรมะขึ้นมาเดียว่าคนทั้งหลายมีแก่งแย่งกันทะเลา ะ, ะลวิวาทกันเราไม่แก่งแย่งกันไม่ทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นสุขจริงนอก็ว่าไปเลยนะเปล่งเป็นอุทาน ก็จะเห็นว right right, so so ่าพระองค์ก็อยู่ในแวดวงเหล่านั้นพระยาคก็ทะเลาะกันอยู่แต่แต่ใกล้ๆนะฮะคนก็เต็มกันอยู่ตรงนั้นแต่พระองค์สงบไปได้พระองค์ก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรกันเลก็ในตอนต่อไปก็ก็เหมือนกับอนัตทุกตัวเลยนะทีเนี้ก็เมื่อจิตหลุดพ้นก็เกิดยานรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วแล้วก็ยานที่เกิดผุดขึ้นนั้นก็รู้ว่าชาติคือความเกิดในภพต่อไปนั้นจบแล้ว กินาชาติบุติตามพรหมจันท ร, ร, รย์คําว่าพรหมจันท ร, ร์คือการประพฤติดีละชั่วนะสรุปแล้วคือการประพฤติดีละความชั่วคือความชั่วที่จะต้องละก็หมดแล้วความดีที่จะต้องกระทําก็บริบูรณ์แล้วเพราะงั้นพรหมจรัรย์ก็จบแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าที่ที่ทําทีหลังนะั้นหน้าที่เพื่อคนอื่นนะเือบื อ, อ, อไม่ใช่ว่าพระอาหารหันต์จบจบกิจแล้วไม่ต้องทําอะไรนะ ก็ว่ากระตังกรณียังก็ยังเอามาใช้ขำๆมาคือว่าพระบางอง์พอเรียนจบสัเมื่อเรียนจบแล้วไม่ทําอะไรแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ความหมายอย่างนั้นคือหมายความหน้าที่ส่วนเรานั้นเสร็จแล้วต่อไปนั้นคือใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพระหันทั้งหลายก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นเสร็จมาตั้งแต่ต้นโพแล้วนะเสร็จไปตั้งแต่นอนแล้วตั้งตั้งแต่ประชนสาส้าแล้ว ต่อมา45ปีนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์นะไม่ได้ละชั่วหอความดีอะไรสมหรับพระองค์แต่เป็นการอยู่เพื่อคนอื่นเป็นศาสดาที่เราภาคภูมิใจในชีวประวัติมากทุกช่วงทุกขั้นทุกตอนเราจะเห็นว่ามีเวลาอยู่กับประชาชนชาวโลกไม่เลือกเผ่าพันธนะุ์วรรณะเป็นเวลาถึง45ปีโดยทาทำงานเพื่อคนอื่นมาตลอด พระอรหัทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์จึงมีความหมายในขอบข่ายของการละชั่วประพฤติดังนะั้นถึงแม้จะจําแนกวันก่อนได้จำแนกให้ฟังแล้วนะฮะว่ามีทั้งสิบอย่างแต่ว่าสรุปแล้วก็คือละชั่วประพฤตีเพระพระพุทธเจ้า ก, ก็หมดพระอานก็หมดแล้วว่ากิจที่ควรทําเกี่ยวกับการนี้นะฮะก็หมดแล้วกิจอื่นในทํานองเดียวกั น, นะะจะจะป้องกันความชั่วละความชั่วเพิ่มความดีรักษาความดีหมดแล้ว กิจอื่นในทํามนองเดียวกันนี้ก็หมดแล้วในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาท่านปูราณาชดินคือชดินชัดคาว่าปูราณนาะคือคือท่านที่เคยเป็นชดินมาก่อนนะคือท่านเรียกทั้งชุดเลยเรียกว่าปูราณาชดินเอ่อคือคื อ, ค, อคือท่านมากเหลือเกินนะฮะตั้งพันรูปแต่ว่าชื่อที่ปรากฏจริงๆถ้าที่จะมาพบนะฮะพบอยู่4ชื่อเลยเอง ในพันรูปนี้พบอยู่สี่ชื่อชื่อก็คือหัวหน้าสามองค์เนี่ยรอุรุเวลากัตตปะนาทีกัตปะขยากัตปะแล้วลักษณะเคยพบชื่ออยู่สี่องค์นอกนั้นก็เรียกรวมครับก็เรียกรวมไปหมดเลยทั้งชุดตั้งก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหรันต์นะในกรณีนี้ เราอาจจะมีปัญห า, าเอ๊ะทำไมมันเร็วเลยเกณฑ์แต่ถ้าท่านทั้งหลายลองดูถึงขั้นตอนที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่เร็วหรอกอย่างที่บอกว่าอาสมของท่านเหล่านี้อยู่ใกล้กับที่พระพุทธเจ้าศัตรูไม่ได้ห่างกันในคนฝั่งแม่น้ำในรันจราแนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศก่อน ขึ้นเหนือไปเทศโปรดท่านปัญจวัคคีย์ไปโปรดสหายพระยะศะไปโปรดพวกพัตวัคคีย์ได้อีกทั้งเก้าสิบรูปแล้วจึงลงมาทางใต้มาโปรดท่านเหล่านั้นในขณะมาอยู่ร่วมกันมันก็เป็นการลดคือว่าท่านเหล่านี้ที่จริงกิเลสท่านก็เบาเบนะฮะเบาเบ่เพราะท่านเองก็ฝึกหัดดัดใจดัดตนตัวเองอยู่มาแต่ว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องนะเด็กคนประเภทนี้ ท่านอุปมานะฮะท่านอุปมาว่าเหมือนฝีกรัดหนองที่รอการบ่งด้วยน้ํา <c oughs> คือฝีมันกัดหนองอยู่เต็มที่แล้วบ่งให้มันดีก็แล้วกันเดี๋ยวก็หนองก็ออกอาการเสียแทงทั้งหลายก็หายพระพุทธเจ้าบ่มอินทรีย์ของท่านเหล่านี้มาเป็นเวลานานนะฮะท่านเราตั้งกตนะว่าอินทรีย์ห้าที่เราที่เราพูดกันเนะะี่ยศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนะะี่ย ตรงไหนก็ท่านอ่อนท่านเรียกว่าศรัทธาอ่อนศรัทธาอ่อนในตอนต้นๆพระุทธเจ้าก็ปลูกฝังศรัทธาปลูกฝังศรัทธาของท่านวิทยะความเพียรท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านนะฮะแลวก็ท่านอุตส่าห์มาผ่าวฟืนอาบน้นําขนซายจ้างกินเลสด้ความเพียรนี่แก่กล้ามากปัญญานั้นมีแต่ยังไม่ได้ใช้สมาธิก็ไม่ต้องห่วงนะท่านฝึกมาแล้ว ถ้าเห็นว่าตัวตัวที่อ่อนมากก็คือ C, อินทรีย์แอคคือคือสัทธาสัทธาเนี่ยคําท่านอ่อนพระเจ้าก็ไปบ่มอินทรีย์เรียกบ่มอินทรีย์นะอย่างเงี้ยคือว่าคือเราใช้จำนวนคล้ายๆของยังไม่สุกกระบ่มมันสุกอะบ่มอินทรีย์ก็บ่ ม, มบ่มอินทรีย์ C, ก็ปรับอินทรีย์ของท่านอยู่ตลอดนะปราบมาตลอดเป็นเวลาอย่างที่เคยเล่าว่าตั้งสองสามเดือนใช้อยู่นะไม่ใช่ว่าแต่ว่าไม่เคยเทศนะฮะไม่เคยเทศ เพราะท่านท่านเหล่านี้มันไม่ได้มีปัญหามากมายอะไรเมื่อบ่มอินทรีย์ท่านพอแก่กล้าแล้วเสร็จแล้วพอออกบวชยอมเนี่สรุปจสรุปว่าไอ้ศรัทธาก็เต็มนะศรัท ธ, ธาก็ไม่ได้มีปัญหากับเพืนแล้วพอพร้อมที่จะใช้ปัญญาพร้อมสติพร้อมความเพียงพร้อมสงบพระเจ้าก็นําไปเทศเป็นการเทศ ต, ตามคล้อยตามอัธยาศัยเอาสิ่งที่ท่านเข้าใจคือเรียกว่าตั้งเยอะแล้วนะครับมาเทศ ท่านเข้าใจความร้อนโดยเฉพาะตัวร้อนเนี่ยท่านเข้าใจจังนะท่านเหล่านี้ย่างกิเลสมาที่ตัวเขียวเลยเพราะงั้นพอเทศเรื่องร้อนๆเข้ามาแล้ววิเคราะห์เจาะลึกลงไปเนี่ยท่านเห็นเป็นฉากฉากนะลองลองดูว่าไอ้ประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีว่าใครมีพื้นยังไงท่านจะเทศอย่างนั้นท่านจะเอาสิ่งนั้นข้ามาเทศกับเขา จึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยฮะไปเทศกรชาประมงก็พูดเรื่องประมงนี่เองเทศประมงเทศเทศเป็นธรรมะไปเมื่อไหร่เรื่อ น, นี้ฟังไม่ค่อยรู้คือฟังฟังเอากลายเป็นธรรมะไปแล้วไปชาวนาก็พูดเรื่องนาเนี่ยพูดเรื่องแอกเรื่องไถ่เรื่องผาเรื่องดินเรื่องหญ้าเนี่ยแล้วมันเป็นธรมธรมะไปเองธรรมะไปเองเพราะงั้นการสอนของพระพุทธเจา้าจึงสอนจากสิ่งที่เขารู้แล้วก็นําไปหาสิ่งที่ไม่รู้ แล้วก็อาจศัยสิ่งที่เขารู้กำลังประสบอยู่ในวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในแต่ละจุดที่เราเรียกว่าตรงตรวจสอบตรงตรวจสอบอุปนิสัยบา ร, รมีอรหันต์มรรคผลอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าไม่พร้อมพระพุทธเจ้าไม่เทศที่เราที่เรามักใจได้ยินคำว่าพุทธเวไนนะพระพุทธเจ้าจะโปรดพุทธเวไนแต่นั้นพุทธเวไนก็แปลว่าไงแปลว่าคนที่ สามารถพูดให้รู้ได้หรือตัดสั่รู้ตามพระองค์ได้พูดเป็นไทยว่าพูดพวกจ่พูดกันรู้เรื่องพูดแล้วฟังรู้เรื่องพระเจ้า ก, ก็จะไปโปรดค่าวไปเทศเขา่าวแล้วก็รอคอยเวลาแม้แต่พระอยู่ใกล้กุติอยู่ใกล้กุติยกตัวอย่างแม้แต่พระอานนท์เองนะฮะพระอา น, อนนท์นี่ยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่บารมีไม่ถึงอรหัตตอนนั้นไม่สอนให้ทหําอให้ทํางานโน้นนั่นนี่ไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆ ยังไม่ถึงเวลาท่านเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงศึกษาภูมิหลังมาละเอียดนะตั้งด้วยพระญาติตั้งด้วยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบอินทรีวางธรรมะได้เรียบร้อยดังนั้นคือสําเร็จเสร็จเป็นพระอาราเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษนะไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องอัศจรรย์ส่วนมากคนในสมัยนี้มักจะติดใจในประเด็นเนี้ย วันก่อนนี้ก็เปิดค่ายโยาชนไม่ใช่ค่ายโยาชนนักศึกษาฮะนี่จิตนักศึกษาจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างเกียวกับครูครูเนี่ยที่เมืองสิลป์แกก็ถามปัญหานี้เหมือนกันแล้วทำไมมันสาเร็จกันง่ายบอกไม่ใช่ง่ายหรอกมันยากแต่ว่าเราไม่เอาภูมิหลังมาพูดพระอรารยบุคคลแต่ละองค์ในท่านมีภูมิหลังทั้งหมดบันทึกว่าองค์นี้มีบา ร, รมียังไงทําไมสร้างบา ร, รมีไปยังไงทําไมถึงฟังเรื่องนี้แล้วก็บรรลุมรกรุ่รนในท่านบอกไว้หมดท่านบอกไว้หมด เยอะเลยนะจะเอามาเทศน์นี่เป็นเป็นเป็นรอยๆนะเล่าวไว้ละเอียดเลยองไหนที่เด่นมากคนรู้จักมากจะเล่าวไว้ละเอียดเช่นภาษาริบุตรพระโมกคัลลานชาตินั้นเป็นอะไรสร้างบา ร, รมีอะไรมาชาตินั้นเป็นไรสร้างยังไงเนี่ยท่านบอกไว้ละเอียดเพราะงั้นถ้าถ้าถ้าเราไปศึกษาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ทีน่นิ่งเป็นเอาหรือบรรดาลอะไรนะเป็นเรื่องของแต่ละท่านที่ท่านสร้างมา พระพุทธเจ้าวางถูกวางธรรมะถูกกับคื้นอัธยาสัยของท่านเหล่านั้นท่านนั้นผลก็เกิดขึ้นนี่ก็เป็นการจบอนัตตลกนาสูตรซึ่งสรุปว่าร้อนสองอย่างนะฮะเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์ท่านั้นเองในการนี้เนีพลิงกิเลสกับเพลงทุกข์ท่านั้นแล้วก็เวลาเรามาพูดถึงนิพพานที่เราพูดง่ายที่สุดในปัจจุาันเนี่ยท่านอ่อนอายะพระสูตรเนี่ยนิพพานคืออะไรคือการดับเพลิงกิเลสและเพลงทุก ละเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ก็อาศัยนิยะของพระสูตรนี้สำนวนนี้เป็นสำนวนของอาจารย์ไทยเรานะเมืองไทยเราละเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์โดยอาศัยนิยะจากอาธิตะพยาจัสมุตย์ตรนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลาย